อย่างนี้คือต่างคือนี่ฟานนี่คือไฟคือเห็นนี่ฟานตีความคำว่าผู้ที่ไม่ใจนี่ฟานนะคือเป็นมายาที่พู้ไฟคือเราใจนี่ฟานแล้วความวมานี่ฟานก็คืออย่างไรน่าฟานคือฟานคือว่าไม่คือไม่คือไม่เจ็บไม่ตายนั่นคือนี่ฟานคำนี่ฟานนั่นคืออะไรยฟานคือทาไม่เจยยึกยิกเจยยึกเลยไม่ลึกไม่คิดอะไรเลยนั่นคือนี่ฟานคือว่า คือว่าเหมือนไม่อาจารเพราะว่าคือว่าเมื่อไรเรื่องเพียนเรื่องเทียนนี่ว่าพอกำแพงนุชแคติกไอ้ไอ้ติดพอติดเท่เไหร่กำแพงติดอยู่พอเทียนดับดับแลยเหมือนกับติดของเราพอดับแลยหมดเลยนั่นคือนี่ผานพอดับนี่ผ่านเลยนชกคิดไม่คือคิดนีอ่าหมดเลยไม่นึกอะไรเลยไม่คิดอะเลยพอคิด่็คิดไม่คิดแรกจะไม่เกิดแต่ถ้าไม่ใช่ เราทําจิตไม่เกิดแล้วกับเลยไม่เกิดแล้วคือไม่เกิดคนนิพพานถ้าจิตมันเกิดมันเกิดแล้วมันคิดจิกเรื่องนั้นเรื่องนี้จิตเกิดที่เราทําอย่างเลยยาเจียเกิดคือเราอะเรากลับแล้วมันม่ทบายเลยพอาจิตไม่เกิดม่ทราบใบนี่คือนิพพานคือนิพพานทบายคือเจนไม่รู้อะไรเลยคือเจนนี่คือกรรมนิพพาน คือนี่พูดไปนี่คือเรื่องพูดดับพูดดับนี่พระเจ้าดิพาอะไรพวกไปนี่คือเห็นนี่ปานเราทำอย่างได้าเห็นนีปานที่เราจะพูดไปให้เขาอยู่นี่นปานตอนนี้ฟังแล้วคูดไปเอ้นี่ไหมนี่คือเราก็จะยาำให้ไปถึงพระนิพพานอย่างนี้แลยอาจารย์เอาแต่คือคือเก็บเหมือนว่าเราเราไม่คิดอะไรแล้วไม่คิดอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วนี่อย่างนี้ไม่เอาอะไรแล้ว่จบแล้ว อาจบแล้วนี่อ่ากันจบแล้วในโลกนี้ไม่มีอะไรแล้วเราจบมันแล้วมาอะไรแล้วนั่นแหละอไม่นึกแล้วไม่ใอะไรแล้วนี่อยู่อย่างนี้เลยอยู่อย่างข้าบ้าอย่างนี้เลยอย่นี่แล้วอ่าที่พูดไปนี่คือพูดคือเปลือกัรงนั้นแหละเปลือกัรงนั้นคือมีที่อยู่แล้วเออนี่ซื้อเราต้องพูดอต้องต้องรต้องพูดพูดอะไก็ว่าพูดก้ามมาเออที่พูดไราอย่า ง, า ง, างนี้คือต้องถามหมดเลยว่านี่เคยเป็นผู้พูด ใคเป็นผู้พูดสิโจมารู้ว่าใครพูดจำยายรู้ว em, ่าใพูดแหมม่นใครพูดเฮ้ยนิพพานใครนิพพานโจมารู้ว่าใคนิพพานจำไม่รู้ก็นใเป็นนิพพานคือจิตสิแหละตัวจิตจานั่นแหละนิจพูดไปจิตอ่าแยกกันเลยจิตพูดไปอ่าจิตนิพพานเนี่ยพูดจิตตัวนิพพานจิตเดียวนี่พูดเป็นสองจิตเลยจิตนี้จิตหนึ่งนิพพานจิตหนึ่งแหมได้แล้วคือยินที่จิตนอกคือจิตในไม่พูดอะไรเลย จิตในไม่พ uh ูดอะไรเลยจิตในไม่พ so, so, so, so ูดเลยจิตในอ่าจิตในเปียบบอกว่านิ่งเลยพูดมันได้เลยคือจิตที่ปานไม่พูดเลยพูดมันได้เลยนี่เพราะจิตที่ปานเปียบไม่รู้อะไรเลยไม่พูดอะไรเลยนี่เปียบเหมือนกับเปียบเหมือนกับภูเขาเนี่ยแหละเปียบเหมือนภูเขาเนี่ยแหละพูดไม่ได้เหตุจากนั้นเคยไปทำมาเลยได้ทางนั้นเขาก็ไม่เขไม่กลัวเลยคนที่ปานแลยไม่กัวก็ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายแล้วเขาไม่เจ็บแล้ว นี่กือมันปูโขอะไรมันม่น้าอย่างนี้เนยเขานแล้วข็ไม่เจ็บแลยมีอย่างนี้มันตอนมาอย่างนี้เ็าีฝนแล้วก็ไม่เจ็บแลยไอ้นี่ยก็ไม่อะไรแล้วนั่นคือาไม่เจ็บเพราหนีฝันโตอยู่อย่างนี้อยู่บนปูโขงอยู่บนต้นไม้อย่างนี้แล้วแหละอย่างนั้งคือนีฝานอ่อันนี้พูดไปนอันนี้คือว่าเพียงแ่รูปหนีนเราอ๋อนี่เอาเอาเอาเอาอดี อัวจอยพูดดีหรืออ๋ออาจารย์นี่ฟันดีหออ๋อไนดีถ้าออกใจพิสยพูดช่วงมาเกิอีกแล้วจมันเกิดับเกิดับพูดเไยไอ้มันดับดับมันพูดอีกดับอีกพูดไปดับไปพูดไปดับไปตลอดเวลานี่คำพูดมันดับพูดไปดับไปอันนี้ฟานมันไม่มันดับแล้วไม่เกิดแล้วไอ้คำนี้ฟันไม่เคยดแล้ดับแล้วดับไปเลยไม่เกยดเลยเียบเหมือนกับทะลน้ดับแล้วไม่เกิดแล้วอย่างนี้เลยคือขี้โกมันดับแล้วไม่เกิดแล้วี่คือกินนี่ฟันอาจารย์อย่างนี้เลยอาจารย์ท เมื่อเมื่อวานอาจารย์ออดแล้วเรื่องเตียนที่โพ่ออาจารย์พูดมันไปจุงกับหลวงพ่อพูดอีกเรื่องเตียนนี่หละแน่นิ่มไปจุกไปเลยพอหลวงพ่อไม่ได้เรียนออกออกจากกิจเลยออแล้วอาจารย์ออดว่าอาจารย์อย่างเรียกว่าเลื่อเหมือนเตียนกับเรียนดูแลทุกเตียนดูดูแลเตียนติสวาพ่อเตียนดับเลยไม่ได้เลยหมดเลย อย่างนี้เหมือนตรงกับอาจารย์พูดตรงกันเลยว่าอาจารย์พูดวันนี้นะกับหลวงพ่อพูดอลไรเมื่อวานนี่ตรงอย่างนี้อ๋อย่างนี้แหละเพื่อออกจากจิตอย่างนั้นอาจารย์เพราะหลวงพ่อไม่ได้เรียนอะไรเลยออกจากจิตอย่างนั้นเล่นดูสินจิตพุทธะจิตผู้อย่างนั้นเลยอาจารย์